<c oughs> س س س ب س م الله الرحمن ا ل ر ح ي م الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد و على آله وصحبه أجمعين ر اض ิ ت ب ا, ا. ت ا ل له รับบ์ว ا บ د นอิสล و มีด ا ل วับิมุฮัมมัดรัสูละ ي ัลลอฮุมะฟัคีห ا ห์ฟิด ي นว ر อัลลิมห์ห์จ้าวินรับิชรอฮ์ริซัดริวัยศรีอัมลิวะฮ์ลุนอัจดัตม์มิลิสาน วร ı z ق, ا ا ا ق ا ن ا طيبًا وعملًا متقبلا يا رب العالمين اللهم إننا نسألك رضاك وجنّة ا ل ونعوذ بك من سخطك والنار بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ب سم الله الذي لا يضر ما عسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع الّايم بسم الله الذي لا يضر ما س م ه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع الّايم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <c oughs> ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานทุกๆท่านอัลฮัมดุดลิลลาสุโกตอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมารวมตัวกันอัลฮัมดุดลิลลาขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาที่ให้อากาศ นหน้านอนอากาศเย็นแบบนี้หน้านอนแต่พวกเราก็มาเรียนกุรอ่านกันนะวยกับอากาศที่เย็นสบายตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าหนาวนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะผมเองก็วันนี้มีเจ็บคอนิดๆหลังจากที่คนรอบข้างเนี่ยป่วยกันหมดเหลือผมอยู่คนเดียว อัดทับตัวินแล้ววันนี้เริ่มมีอาการแล้วนะแค่แต่แค่เจ็บคอยังไม่มีไอยังไม่มีอะไรใจเย็นสิแม่ ก, ก็เราก็จะได้อดัอดยางไงโดดเลยแล้วก็ขอดูอานะมอบหมายต่อระและที่สำคัญนี่กำลังใจมีกำลังใจดีอืม วันนี้กำลังใจไม่ได้มาด้วยเ<ส>พราะกำลังใจป่วยนะอ่ะอัะดดิน ล, ละเป็นยังไงบ้างใครไปงานบ้างฮะวันเสาร์ที่ผ่านมาไปกันนะมาชาวรอหยิบอยู่เรื่อยเลยนะกินอยู่เรื่อยก็อัทำนิดละได้ได้กินอย่างอิ่มนะครับอัลฮมดดิน ล, ละอะไรนะ โอ้ถ้าถามถ้าถามว่าขายเนี่ยตอบยากแต่ถ้าถามว่าแจกยังไงก็หมดมีอ่าก็เป็นร้านเพราะว่าถ้าขายเนี่ยอย่างน้อยค่าทุนร้านอาหารประมาณสัก 50,000 นอาจจะมีร้านสมร้าน4ี่แต่ว่ากินฟรีมันก็เลยได้เฉพาะเงินบริจาคแได้8ปด0 0 0หครับเพราะว่า 700,000 เนี่ยก็คือเงินสดอย่างเดียวที่นําพี่โคตพี่น้องเนี่ยเอาเงินสดมาให้ แต่คราเนี้ยมันมียอดโอนเข้ามาทางแอปพลิเคชันในวันนั้นเน่ะอีกประมาณแสนกว่าบาทเขาไม่เอามารวมเพราะว่าเขาจะเอาเฉพาะเงินสดในงานอ่าบางคนก็บอกเอ๊ะทาไมตอนที่อาจารย์ประกาศแปดแสนแล้วทําไมพอเวลาอาจารย์เขาแจ้งเจ็ดแสนมันอาจารย์แทบไปแสนหนึ่งเหรอบอไม่ใช่ฉันไม่ได้เอาฉันจะไม่เอาเลยล่ะเออเนื่องาฉันเอาไปพันไม่ได้เอาเขาเอาเฉพาะเงินสดที่นับได้ เอาไปเข้าธานาคารมุยทีอันซอร์เอเพื่อวิุสีสลามอ่าแต่ถามว่าไอ้เงินที่มันอยู่ในมุยทีอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่เอาออกมาดิเพราะมันอยู่ในนั้นอยู่แล้วเอาเฉพาะเงินสดแอนนั้นเวลาเวลาฟังเนี่ยพี่น้องนะต้องถามรายละเอียดภาษาเราก็แบบบีดูนตะลีบางทีไม่มีการอธิบายคนก็งงเอ๊ะวันแรกประกาศแปดแสนอีวันนึงประกาศเจ็ดแสนแล้วหายไปไหนแสนหนึ่งประธ า, า, านจัดงานเอาไปเปล่ายุ่งเลยฉันจะไปเอาทําไมนะ่ะ มีแต่ให้อ่าก็ประมาณนี้นะครับคนเยอะฮะคนเยอะคนเยอะมากๆทมดุลินละมีร้านหนึ่งเนะี่ยเกเอาขนมเบเกอรี่มาขนมปังเอาทาร์ตไข่มาเขาบอกวางไม่ถึงห้านาทีหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรที่มันหยิบง่ายเี่ยมันหยิบเร็วแต่ถ้าเป็นจานเนี่ยบางทีหยิบยากเป็นชิ้นเนี่ยโดนท็อปชีสเนี่ยหยิบหยิบมันต้องตกัก อนี่หมดชาทามาเป็นชิ้นนะเร็วห้านาทีหมดแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านกุราอ่านกันนะครับเชิญกี่อายะที่สี่สิบสองสี่สิบสองนะครับเดี๋ยวเริ่มที่ฟาติฮาก่อนนะ อา عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الر الر الح لله رب العالمين อัลลอฮ์มานีอัลราฮิมมัลกียามิด ي ินอียาแกนอาบูดูว่าอียาแกนอัตตัยน الْمَغْضُوبِ ิَ ل َินัِรْ وَلَا ا ل ال ض รา ا ل ِّ ي ن َ อาเมนอ้างอุบิลลาฮิมินอัลชาอิตานอิรรจีมสำมะนัลลิลกะดีบอัคกลูนิสุ ต้องลงท้ายคำว่าซ uh มันก็คือตัวซีนตัวฮาและก็ตัวตาซ uh ัและก็พ่นลมนิดนึงตาซ uh ัมีตัวตาอยู่ข้างหลังนิดนึงนะครับตาเมื่อเวลาอ่านเป็นสุ ก, กูลมันก็จะมีพ่นละมนะอีกรอบหนึง่ง สัมมาอ و ن ลิลคาดิบอัคกลุณลิสุฮัดฟาอินเจ้าอูกฟะ ุบนหุมอาริดอันหุมจาะอ่าตรงนี้นะมีมตายพบบาอิฟฟาชาฟวีฟะ กุมเบียนะฮุมเอาอารดอารดอ่านให้แน่นเลยนะตัวดอทอารดอันฮุมนะครับอีกรอบหนึ่งเฟินเจอูกฟะคุมเบียนะฮุมเอาอารดอันฮุม و إن طع ر ِ عنهم ْ ف َ ل ْ يضروك َ شيئا َْ وإن َِ هجمت َ ف َ มบีน่าฮุมบิกตอ่าตัวกอฟตัวซีนตัวตอกิสตนะแล้วก็มีตัวก้อนกอนละนะครับเสียงสะท้อนที่ตัวตอต่อนะอ่าแต่ไม่ต้องออกแบบเขาเรียกว่าชัด อันครึ่งหนึ่งกีสต่อแอนิดเดียรเนี้ยบางคนกีสต่ออ๋อจะต่อกี้มันเต็มไปนะแล้วก็ว่าอินฮากัมเตฟะกุมฮากัมนะฮากัมเตฟะกุมอันนี้ก็หน่วงเสียงกุมไบานาหุมหุมก็หน่วงเสียงสองตัวเลยอีอรอบหนึ่งว่าอินฮากัมเตฟะ ค ب ม ا บน ق หุมบิลก ن َต ا อินน ه َลُ ح ِ ب ُย ا ل ْบุลม س ก ط ِต ن َ ว่าไ ف َ ي ย حكم อ ت َّ و ่าไงฟ ف ِ ي ه َต حُكْمُ اللَّهِ อ่าถ้าไม่ไหวก็รักหายใจได้ไม่ว่ากัน <c oughs> เพราะว่าอ่านกันหลายคนเร <c oughs> ักหายใจนะอแต่ไม่เป็นไรนะอันนี้ลํำสำหรับคนเขาเรียกอะไรนะเออลมมันสั้นลมสั้นเชื่อไม่มีคนอ่านฟติหะหายใจรวดเดียวจบมีนะ คือไม่หายใจเลยหายใจเราฟัดเดียวอะ่ะปุ๊บตั้งแต่บิสมิลลาจนกระทั่งถึงว่าเราดอนลินเป็นนาทีเลยฉันก็ไม่รู้ว่าแกเอาตรงไหนหายใจเออนะอันนี้มันมีนะคนฝึกจนกระทั่งปอดเนี่ยสามารถจะหายใจเก็บลมหายใจเดียวอ่านฟัดีฮะจบอ่าอันนี้เกิดในต่างประเทศนะผมจะไม่ได้เช็คอะไรแต่ของเราไม่ต้องทํำนะหน้าบางคนหน้าเขียวเลยเอาพอดีพอ อ่าถ้าไม่ไหวก็หยุดก่อนแล้วเดี๋ยวกีเขาต่อนะแต่ว่ามันจะหยุดตรงนี้แหละครับเพราะว่าจะหยุดตรงอื่นเนี่ยดูแล้วมันหาที่หยุดลำบากนะอีกรอบนึ่งอ่านกระชับคำนิดหนึ่งวะาใครยผกกิโมนิกว่าอินเดหูมุตเตราตุฟีฮาฮุก มุลลาว่าคระยุ่งเหยีบมุลลาว่ะยุ่มลลาุบตีุหบตุตมุลลาหุมาุมุลลุตมลามุตมลลบมามลบา์าล أُولَئِكَ ب ِ ا ل ْ م ُ ؤ อ م ِ ن ِม ن َ ตัฟีฮฮูดาวนูรันตาวรนูมีตัวรออยู่ข้างหลังนะไม่ใช่นูแล้วก็หยุดนะนูร มีรออยู่ข้างหลังนิดนึงนะครับอีกรอบนึงอินนัอซัลนัตเตอร์รอตฟีฮูดาวันูร ยาอุมบิฮันนบิยุนัลลาฎีนาสลามุลลาฎีนาฮัตูนบิยุ อ่านะตรงยาูมูบิฮันนบียูตร ง, ตร ง, ต, รงตรงยามีช ด, ดาเนี่ยเราต้องอ่านเน้นเข้าไปเป็นบีฮันนาบียูไม่อ่านว่าบีฮันนบียูอ่าจะเสียจะผิดนะครับต้องอ่านว่านาบียูนั้นและดีนาะอัลลามูลิลและดีนาะฮาดูแล้วก็ฮาดูนี่หยุดหยุดแบบทื่อๆเลยนะ ฮาดูหยุดแค่นี้เลยนะอย่ามีเสียงนูนเข้ามาบางคนฮาดูมีนูนเพิ่มมามาเป็นการเพิ่มนะอีกรอบหนึ่งสองสองฮาดูกาเลยฮาดูอยู่แค่นี้เลยยะกูมูบิฮันนบิยูนัลลาีนาสลามุลลลีนาฮาดู วะรับบานิยุลอบบมาสตูฟิดุมีกตบลลายว่าับบาบีมาสตูฟิดุมี ทำตัวด nah. ah, ah, ิล่ะนะอันนี้ต้องระวังนิดนึงบีม uh ัสตุเข้าไปที่ตัวซีเลยนะบีมัสตุฟิรูอีรอบนึงวะรับเบนิยนะวะอับบารุบีมัสตุฟิรูมินกิตาบิลลา วَ่ كانوا عليه ِ شهداء ََُ فلا ََ تخشون َْ الناس وخشون و َ ل َะอ่ ت َ ر ُอ่านบทََ่นบทอ่านบทอ่านบทอ่าน قم بما أنزل الله. الله؟ فؤلاء. กคหุมอัลกะฟิรุนอะมาดูความหมายกันนะครับอ่านไปทั้งหมดหนึ่งสองสาสาอายะห์ด้วยกันนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอายะห์ที่41เนี่ยมันก็ต่อเนื่องกัน นะครับอันนี้จะอยู่ในหมวดเล่กลของเยโฮูดนะเล่กลของเยฮ ւ ดที่เหมือนกับว่าจะยอมรับนบีแต่ก็มีการให้เงื่อนไขเอาไว้นะจำได้ไหมครับอัลลอฮสุบฮานหฺวตาลานั้นได้ปลอบใจท่านรอซูนของเราว่าอย่าได้เสียใจไปเลยกับการที่มีพวกมุนาฟิก โมนาฟิกเนี่ยเขาจะตอบรับอิสลามแบบเพียงแค่ลมปากนะอย่างตอนหนึ่งที่หัวหน้ามูนาฟิกที่ชื่อว่าอุบับยอับดุลละบินอุบัุบยบิสซูลรับอิสลามเนี่ยเหตุที่ต้องรับเพราะว่านาบีเพิ่งได้รับชัยชนะจากสงครามบาดัตมาเลยไม่สามารถจะจะต้านนาบีได้โดยเปิดเผยเพราะ ถ้าเปิดเผยเนี่ยนบีก็รู้ทันทีว่าไอ้ น, นี่เป็นศัตรูก็เลยแท้งมารับอิสลามแล้วก็ใช้ความเป็นพวกเดียวกันในการแทรกซึมแล้วก็พยายามสันน่นคลอนนะความเป็นพี่น้องมุสลิมใส่ไฟเอาเรื่องไม่ดีของอคนนึงไปเล่าให้คนนึงทำให้ยุยแยงตะแคงรั่วให้มุสลิมเกิดความอ่อนแอโดยการแตกแยกกันเป็นไส้ศึกด้วยเออแล้วก็เป็นไส้ศึกด้วย คอยสืบความลับของอันนี้ดีมากเลยทมดิละ <laughs> ดีมากอันนี้เหมือนกับแบบเป็นเลขาด้วย <laughs> ให้ความรู้เ <laughs> ออ น, นี่ไห้กีด้วยไม่ได้ดิไม่ได้ว่กีก็ต้องเป็นเาเ ร, รเสริมเสริมออนี่หลักอยู่นี่นะอ่านี้ ก็บอกกับท่านรอซูลว่าอย่าไปเสียใจายถามว่านาบูถามว่าท่านรอซูลรู้ไหมถึงการเสดแสวงเพราะรู้แต่จัดการไม่ได้เพราะเหตุที่ยังจัดการไม่ได้เนี่ยมันมองถึงภาพโดยรวมพี่น้องลองคิดดูสิถ้าข่าวเนี่ยถูกแพร่ออกไปว่าคนที่ยืนละหมารกรนบีถูกประหารชีวิตก็อบโดน ล, ลอร์บิลไบส์สูร์เนี่ยยืนละหมารกรนบีสุบโบมาละหมากรนบีตลอดและผู้บัญาฟิกอีเพียบเลยนบีจับคนที่มาละหมาดที่สุเราประหารชีวิต โอ้โหเสียหมดเลยนี่เห็นไหมที่บอกเสียหมดข่าวไปถึงไหนถึงไหนโอ้โหขนาดคนมาละมาดนาบีจัดประหารอีกแต่ใครจะไม่รู้แหละไอ้ที่มันมาละมาดเนี่ยมันแค่แท่แงมาละมาดแต่ในใจมันเนี่ยปฏิเสธเอาล่ะเพราะอันนี้มนุษย์ไม่มีเครื่องตรวจตรวจไม่ได้หัวใจคิดยังไงของแต่ละคนนั้นเนียดอยู่ที่แต่ละบุคคลจะควบคุมไม่ใช่ผมไม่คว บ, ค, วบคุมณเนียดของพี่น้องพี่น้องนี่แหละที่จะต้องเป็นคน ควบคุมหัวใจเนียดของเราให้เพื่ออรอตาลาเสมอนะบางคนไม่กล้าหยอดตู้ห้าสิบบาทยี่สิบาทไม่กล้าบริจาคเพราะอายตลงอายใครอ่ะเออถ้าบอกว่ายี่สิบาทอายนี่ถามว่าอายใครถ้าอายมนุษย์ก็แสดงว่าไม่ได้ทําเพื่อเอาล้อสิเใช่ปะจะบอกโต๊อย่าพูดว่าอายโตยี่สิบบาทของโต๊ะมีคุณค่ามาก เพราะยี่สบาทโตทำเพื่อเอาล้อนั้นหยดบาทเดียวไม่ต้องไปไอายมนุษย์มนุษย์ให้บุญให้บาทไม่ได้อีคลาสนะแต่ถ้ามนุษย์จะดูถูกเงินยี่สิบาทของโตเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขาใช่ไหมแต่เอาล้อรู้ในใจนั้นพี่น้องนะบริจาคจะจะห้าบาทสิบบาทไม่ต้องไปสนใจว่ามนุษย์จะจะจะพูดยังไงนะแต่เราทำาด้วยหัวใจที่อ e ีคลาสอ่ะคราวนี้บอกต่อว่า สมาอุนพวกเขาก็หมายถึงพวกใครพวกมุนาฟิกพวกยาหูดเนี่ยชอบฟังเรื่องโกหกอาอกกาลูนริสซวแกติดแปลว่าโกหกอากกาลูชอบกินสิ่งที่ต้องห้ามกินสิ่งที่ต้องห้ามเนี่ยศา ส, ส, สนาไม่ได้หมายถึงสิ่งที่กินเข้าไปในปากเดียวนะรวมถึงรับด้วยเช่นกินดอกเบีย้ยมีใครเอาเงินดอกเบี้ยมาใส่ปาก ไม่มีหรอกกับเข้าบัญชีใช่ไหมแต่ถ้าบอกกินดอกเบี้ยก็หมายถึงเอาเงินดอกเบี้ยเนี่ยเอามาใช้อ่าบางคนบอกถ้าไม่เอามาซื้ออาหารเอามาซื้อไปสบู่ยี่ก็ได้ดิเพราะไม่ได้กินเนี่ยเอามาทาตัวไม่ได้ทั้งหมดนั่นแหละรับมาเอามาใช้ชอบสิ่งที่ต้องหา้าบถ้าถ้าอะไราพวกเขามาหาเจ้าฟอินจาอูกะนะมาหาพวกมาหามาหาเจ้ามาหาท่า น, นาบี ฟะกลุ่มไบานาหุม่มก็จงตัดสินระหว่างเขาอัลลอฮ์ให้นบีเนี่ยตัดสินพวกเยฮูดหรือไม่เอาอาอิริษอันหุมหรือไม่ก็หลีกเลี่ยงจากพวกเขาถ้าดูแล้วว่าการตัดสินจะเป็นเรื่องดีเพราะบางคนเนี่ยมาให้นบีตัดสินด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ก็มีก็ตัดสินไปแต่บางคนมาด้วยเล่ห์เหลี่ยมก็หลีกเลี่ยงไปไม่ประทะ เหมือนคนมาถามเนี่ยแหละถ้าถามเอาความรู้ฉันก็ตอบแต่ถ้าถามกลวนๆก็ไว้ก่อนแล้วกันไปก่อนเออก็หาหลีกเลี่ยงปัตระไปอย่าไปปัตระอเล่าบอกต่อว่าฟาอินตัวอาริธอันฮุมฟาลายาดูรูกาชอาแต่ถ้าหากเจ้าเนี่ยหลีกเลี่ยงพวกเขาพวกเขาก็จะไม่ให้โทษแก่เจ้าแต่อย่างใดหมายถึงว่า การที่เราไม่ไปไ ป, ไปไปไปไปยุ่งเกี่ยวไปไ ป, ไปตัดสินเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะมาทําอันตรายกับเราได้เพราะตอนนั้นอย่าลืมว่ากองทัพมุสลิมเนี่ยเข้มแข็งกลายเป็นวา ย, ยาฮุดเนี่ยกลายเป็นคนส่วนน้อยที่อยู่ในใต้การปกครองไม่ต้องไปเกรงใจโอ้ยถ้าไม่ตัดสินเนี่ยมันจะมาหาเรื่องไม่ต้องกลัวนบีนบีไม่ต้องกลัวเรื่องนี้เพ่อะอะไรพ่อลดูแลแล้วก็ให้มุสลิมมีอํานาจนะแล้วรับอกต่อว่าและหากเจ้าตัดสิน ว่าอินฮาคัมตะนะฟะ ก, กุมไบนะฮุบเลกรสต์ก็จงตัดสินระหว่างพวกเขาด้วยความยุติธรรมอันนี้เป็นศัตรูนะยาฮูนเนี่ยมันจ้องทําลายมุสลิมแต่ถ้าเกิดมาให้ตัดสินก็ต้องตัดสินตามเนื้อผ้าตามความยุติธรรมจะไปเพิ่มโทษข้อขอหาขอโทษนะขอหานะมันไส้อ่ามันไส้มันเพิ่มโทษไม่ได้ก็ต้องให้ความยุติธรรมแม้ว่าจะเป็นศัตรูก็ตามเห็นไหม แท้จริงอัลลอ์นั้นทรงรักบรรดาผู้ที่ยุติธรรมอยู่ให้บุญมุกตีตีนอ่าอัลลอฮ์บอกต่อนะว่ากั้ฟ่ายฮักกิมูนะกะววัินัางฮุมุตเตรรอตุฟีฮาฮุกมุลลอและอย่างไรเล่าที่พวกเขาจะให้เจ้าตัดสินออลลอฮ์ Allah ถามใกล้ฝ่ายอย่างไรล่ะที่จะให้อัลลอฮ์ตัดสินทําไมอ่ะซุมอ่า ว่าอินเดหุมุดเตาร้อนทั้งทั้งที่พวกเขาก็มีคมภีรเตาร้อนอยู่เออทาไมไม่ให้นบีตัดสินเพราะเตาร้อนเนี่ยไม่ได้ถูกประทานให้กับนบีมุฮัมมัดถูกปะกุรานถูกประทานให้นบีมุฮัมมัดถามว่าพวกเขามีคัำพีเขาไหมมีทําไมไม่ใช้คำภี์เขาตัดสินล่ะและทำไมไม่ให้นบีตัดสินนี่เป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่กุรานได้บอกไว้เอาต่อมาซึ่งซุมมา ซึ่งในนั้นนะ่ยมีข้อตัดสินนะฮกมุลล์มีข้อตัดสินของล้ออยู่แล้วฮกมุลลอ์ในเตาร้อนเนี่ยมีข้อตัดสินของล้อไหมมีอยู่แล้วซุ่มายะตอ ว, ว่าเลานาะมินบาดีดาลิกและหากและหลังจากนั้นเขาก็ผินหลังให้ผินหลังให้อะไรรู้ไหมเตาร้อนนั่นแหละก็ขนาดคัมภีของของโทษนะของพีของแกเองแกยังผินหลังเลยแล้วจะเหลือไหม จะไม่ให้มาเชื่อคุตอ่านเหรอเออชนเหล่านี้แหละหาใช่อัลลอฮ์บอกหาใช่อะไรมุมีนีนคือผู้ศรัทธาเหมือนว่าจะดีนะมาให้นบีตัดสินเออเฮ้ยเยอยาฮุดนี่ดีจังเลยมาให้นบีตัดสินอัลลอฮ์ถามว่าในในเตารอนของพวกท่านก็มีและพวกท่านก็ทรยศหันหลังให้เตารอนไอ้พวกนี้แหละเป็นพวกที่มีเล่เหลี่ยมเกาล้อแล้วอ่ะอัลลอฮ์บอกต่อนะอินน์อันซันนัดเตารอน กำลังพูดถึงคำภีรเตารอนแท้จริงเราได้ให้คมภีร์เตารอนลงมาอันเซนนะประทานลงมาโดยอะไรฟีฮาฮูดาวานูธและในคำพีเตารอนเนี่ยก็มีทางนําและแสงสว่างอ่าเป็นคำภีรของล้อไงเราก็ต้องศรัทธาแบบนี้นะเราต้องศรัทธาต่อพีคบิภคำพีเตารอน ด, ด้วย ยะกูมูบีฮาบีฮันนาบียูนะวันนั่นแหละดีนะอัสลามูลิละดีนะฮาดูซึ่งบรรดานาบีที่สวามิภักด์ได้ใช้คัมภี์ตารอนตัดสินบรรดาผู้ที่เป็นยาฮูตก็คือนาบีมูซาก็ใช้คมภี์ตารอนตัดสินพวกยาฮูตนี่แหละว่ารับบานี่ยูนก็หมายถึงเละบรรดาผู้ที่รู้แจ้งในเรื่องของอัลลอฮ์รับบานี่ยูนนะ วัลอาบารแปลว่าพวกปูโลหิตนะเาเรียกแปลว่านักปราดของพวกเขาบาดหลวงจะเรียกอะไรเนี่ยคนที่รู้คำพีของเขาเนี่ยทั้งหลายก็ใช้เตาร้อนในการตัดสินบีมัสตัวฟีรูมินกีตาบินแหละเนื่องด้วยที่พวกเขารู้ว่านี่คือคำพีของอัลลอฮ์ก็มอบหมายแล้วก็ให้รักษาไว้นะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคำพีเนี่ยเขากลัวว่าจะถูก แก้ไขและเปลี่ยนแปลงโดยคนไม่รู้เขาก็เลยให้คัมภีร์เนี่ยถูกเก็บเอาไว้เฉพาะคนที่อะไรคนที่มีความรู้เท่านั้นไม่เหมือนกุฎานบ้านเรานะบางคนซื้อกุฎานมาใหม่แล้วอ่านไม่เป็นเลยซื้อมาแล้วไม่เป็นไรเ อ, อไม่มีเงื่อนไขนะเ อ, อ, เ อ, อโต๊ะจะมาซื้อกุฎานอ่านได้หเปล่าไม่มีใครถามซื้อไปก่อนอ่านได้ไม่ได้เรื่องนึงเดี๋ยวไเรียนแต่คัมภีร์เตาร้อนเนี่ยเขาจะถูกเก็บเอาไว้เฉพาะคนที่เป็นอัครบาร์เป็นผู้รู้ของพวกเขา นะเอ้ยเขากลัวเสร็จแล้วและพวกเขาก็เป็นพยานยืนยันในคัมภีร์นั้นด้วยว่า น, นี่คือคัมภีรของลอดังนั้นพรเจ้าจงอย่ากลัวมนุษย์แต่ให้กลัวข้าเถิดอย่าไปกลัวมนุษย์มนุษย์จะว่านู่นว่านี่ก็ช่างมันไประไรภาษาพวกช่างมันไประไรใช่ไหมแต่ให้กลัวลอ และจงอย่าแลกเปลี่ยนบรรดาอายะของข้ากับราคาอเล็กน้อยพูดถึงคนที่เป็นปลาดคนที่เก็บรักษาเนี่ยอย่าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะหรืออย่าบิดเบือนหลักการศาสนาและผู้ใดที่ไม่ได้ตัดสินด้วยสิ่งที่เอาล็อประทานลงมาชนเหล่านั้นก็คือผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาอ่านี่คือความหมายแต่ถ้าเกิดว่ามันมีรายละเอียดนิดนึงอย่าง น, น, งางนี้สาเหตุของการประทานอายะนี้เนี่ยเผายะฮุษเนี่ยมีสามเผา กอยหนุก็กนูก้อนี่คือเผ่าที่แข็งแกร่งที่สุดนะมีกองกำลังของตัวเองเนี่ยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเนี่ยพี่น้องคิดว่าเยอะัหมก็ตอนรบกับมุสลิมีพันหนึ่งนีนเจ็ดร้อยเนี่ยห่างกันสามรอเองเออแล้วมุสลิมมีสามร้อยตอนนั้นที่ไปรบอ่ะยูกอยนูก็มีเจ็ดร้อยและมีโรงตีเหล็กเป็นของตัวเองผลิตอาวุธทาเสือ้อกอและก็คุมตลาด อำนาจนี่คือสุดๆเลยแต่วันหนึ่งที่นบียกทัพไปพวกนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับขี่ขาดออกมาแล้วก็ยอมแพ้จริงๆนบีจะประหารแล้วเป็นกบฏเพราะมันท้าทายนาบีแต่คนที่มาเจราจาจนกระทั่งเนรเทศก็คืออับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซันูลหนะันะวแนคมูนาฟิกมาเจราจาช่วยยาฮูดจนกระทั่งน บ, บีอับเลยนะไล่ออกไปจากเมืองก้อยหนูก็โดนเผาแรกเพราเผานี้เป็นเผาที่ฉลาดที่สุดเป็นเผาที่เก่งที่สุด นะหรือสองเผ่าสองเผ่านี้เนี่ยก็เป็นศัตรูก็คือเผ่านาดีธกับกุโรยซ้อสองเผ่านี้เนี่ยรู้ไหมเขาข่มกันเองเผ่านาดีธเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเผ่าที่มีเกียรติส่วนกุโรยซอเนี่ยเป็นยิวพวกปแถวพวกเป็นยอหุไปแถวพวกเขาเลยมีข้อตกลงกันว่าถ้าเกิดทะเลาะกันซึ่งมันทะเลาะกันอยู่แล้วนะเพราะมันอยู่คนละฝั่งกับเอาสคอสอรสมัยก่อน ทะเลาะกันเนี่ยถ้าใครนะนาดีสเนี่ยไปฆ่ากูรอยจอจะต้องจ่ายร0 0 100ของสิ่งที่บรรทุกในหลังอูดประมาณ240ลิตรเอาของบรรทุกใส่หลังอูดร้อตัวนั่นแหละคือจะค่าไทยแต่ถ้ากูรย์จอมาฆ่านาดีสจะจ่ายแค่ครึ่งเดียวเพราะพวกแกเนี่ยเป็นคนที่ชั้นต่ำกว่ายโยฮุสเหมือนกัน แต่ค่าไทยไม่เหมือนกันเรื่องเนี้ก็เกิดขึ้นแล้วก็ไปร้องเรียนนบีให้นบีตัดสินปรากฏว่าพอนบีจะตัดสินนะไอ้นี่รู้แล้วว่านาบีต้องให้ความยุติธรรมแน่เลยนะก็เลยถอนไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมตัดสินละแล้วก็ไม่เชื่อนะสุดท้ายอายกุการนี้ก็ลงมานะครับนี่คือเรื่องหนึ่งนะที่ถูกบันทึกเอาไว้นะส่วนนี้อันนึงก็คือเรื่องอะไรนะ ที่เฉันเคยเล่าไปแล้วมีมียาฮูสองคนทําจินาจาได้ไหมทําจินากันแล้วก็มาให้นบีตัดสินนะไอ้พวกเขาก็บอกว่าจะต้องเอาหม้อดําๆเนี่ยขีดขีดเท่าดําๆนะ่ะฐานหน้าและแหารอบเมืองประจานและการในประเทศบพแต่งงานแล้วนบีบอกไม่ใช่ต้องประหารชีวิตโดยการคว้างพวกเขาก็บอกว่านบีก็บอกว่าสิ่งเนี้ยที่ฉันตัดสินเนี่ยตามที่นยอยู่ในเตารอดเลย ก็ให้เอาตอรถมาอ่านพออ่านเสร็จพอถึงจะอาย่าที่ว่าต้องขว้างไอ้นี่เอามือปิดเอาไว้และอ่านข้ามแต่นบีนะ่ยไม่รู้หนังสือหรอกนะแต่คนที่รู้หนังสือก็คืออับดุลลอห์บินบินสลามซึ่งเป็นยาฮูดมาเข้ายิรับอิสลามเป็นมุสอับาอับีก็บอกให้ยกนิ้วขึ้นพอยกนิ้วขึ้นก็เจอเลยว่าให้คว้างตรงกับกุฎานนะสุดท้ายก็โดนประหารชีวิตก็โดนขว้างนะอ่ะนี่ก็คือเรื่อง ของเลขกลของเยาวูดนะครับซึ่งบอกกันนิดนึงนะพี่น้องนะเราศรัทธาต่อเตารอนอินจีนแต่ประเด็นก็คือว่าทุกวันเนี้คมภีร์นะทเทาร้อนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ม, มีเล่มเดียวคือกุรานส่วน In ene, อินจีนเตารอนทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วคาริตาริฟต์ตากฟิวไฟมการเปลี่ยนคราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเปลี่ยนอันไหนไม่เปลี่ยนเออไม่ยากครับอะไรที่ตรงกับกุรานนั่นแหละคือสิ่งเดิม แต่อะไรที่ไปขัดกับกุรอ่านเช่นเขาบอกว่าในคำพีของเขาบอกกินกินวนยได้อะนี่ขัดกับกุรอานไหมอ่ะถ้าขัดก็ไม่ใช่แล้วทิ้งไปอ่าหรือหมูอะไรเงี้ยกินได้หมดแล้วแก่หมดอ่ะ <c oughs> <c oughs> มันแค่ชื่อเออมันไม่มีถ้ามันถ้ามันถ้ามันไม่หาร้านมันก็ขายที่มักกาไม่ได้นะมักกามารีนาขา ย, ขายแค่รถมันนะอืม ไปเรียกไปเรียกไปชื่อนอถ้าเราไม่กินก็อีกเรื่องหนึง่งแต่มันดูไม่ดีหรอกพี่น้องเพราะอะไรวะกระป๋องมันเนี่ยมันมันเขียนเป็นชื่อเบียร์เลยแต่ขายอยู่ในมาดินานะ่ะมาดินานมาการมีขายอ่าเมืองไทยเราก็มีแต่เมืองไทยเราเนะี่ยมันสุ่มเสี่ยงเพราะอะไรละ่ะเพราะว่ามันไม่รู้เลยอันไหนเกิดจิบมาผิดก็เป็นนั่นเลยแต่ในนู้นเะน่ยถ้าคุณยิบอะไรมันทาล้านหมดแหละอะไรที่ขายในมาดิมาใน สโตในร้านของเขาในมักกานะถูกสแกนแล้วถูกควบคุมแล้วหาร้านหมดอืมอ่านต่อนะอายะที่สี่สิบห้าว่กะตะเบนะอัลเลหิมฟีฮันนันนับซาบินนับ อ่ดูดีๆนะโมวานฉันอ่านเนี่ยฉันก็อันนับไปเลยไม่ใช่มันมีสองอันอันสองอันนะอันแรกก็คืออันก่อนแล้วก็นันอันนันนัซานัฟซาเอออันนันนับซาบินนับ อ่าอันนี้ต้องพ่นลมนิดหนึ่งขอมาอพด้วยอ่าหยุดตรงนี้นะอีกรอบหนึ่งว่ากตบน้า ع ล ي, ي ه م فيها อันนั้นนับสบินนับ ดีมากครับอัลฮัมดุลิละอูซุนนะอ่าอซุนอยู่ตรงนี้วะลัยน์บิลไงนีวะลเอฟบิลเอฟีวะลูซุนบิลซุน ฟออออีอูุนะอูะุนนะบินวลอายนนะอนะบินอยนีวลอันวลอันนะมีลามกับตัวนูนใกล้กันวลอันแรกยกดินวลอันที่สองขึ้นจมูกอันวลอันแล้วก็เป็นเป็นอีกฟ้าด้วยอันฟ้า บิลอาฟีวัลอูดุนนะบิลอูดุนนะตัวแดนนะอูดุนอย่างนี้นึงแต่ค่อยๆ อ, อ่านอ่า <c oughs> ใช่ครัเป็นอวัยวะนะเดี๋ยวแปลให้ฟังวัลอัยนะบิลอัยนีวัลอาฟาบิลอาฟิวัล อุ้ดุนับิลอุ้ดุนวะอิลไกลับิสว ดีมากครับนะวัซซินนะบิซซินตัวซีนนะอ่านให้เต็มเสียงเลยซีนนะแล้วก็วัลจูรุฮากิซอสตัวซอสนะอ่านให้หนาอีกรอบนึงวัซินนะบิซินนวัลจูรฮากิซอส นิวรจุรุภาขีสัส فمن تصدق به فهو كفرة الله ออันนี้เข้าไปเลยนะตุลละไอรอบนึงเฝ้มเตาสดดักรบฮีฟาหัวคัฟฟารตุลล่ะเฝ้มาเตาสดดกรอบีฮีฟาหัวคัฟฟารตุลล่ะว่มัลลัมย่ะ อุมบีมาอาซาลลอฮฺอะะออฮอออะะะ ُีมะَัลَอฮَวเมนญะ ل ل มะอัลลอฮ์ฟา ئ ِ ك َ هُمُ الظَّالِمُونَ อ่าอัลลอฮบอกว่าวกตาตบานากตาบานาตรงนี้ก็หมายถึงเขียนตรงนี้ก็คือบัญญัติอ่าได้บัญญัติเอาไว้ได้กำหนดเอาไว้และเราได้กำหนดฟีฮาไลฮิมฟีฮาแกพวกเขาอ่าพวกเขาตรงนี้พวกไหนอ่ะพวกเยฮูดนันเลเราได้คเราได้กำหนดเอาไว้อยู่ในคัมภีรเตารอนของพวกเขาเนี่ย นะซึ่งอันนี้ก็อยู่ในกุรอ่านเรานะแต่กุรอ่านเราเนี่ยอยู่สูรบะกรร้อเรื่องกี่ซอสแต่ก็ตรงกันไม่มีปัญหาตรงกันในนี่เรื่องนี้ตรงกันกี่ซอสเนี่ยเช่นเดียวกันที่เคยกำหนดเอาไว้ในคัมภีร์เตาร้อนอะไรล่ะอันนับซะบินนัซชีวิตต้องชดใช้ด้วยกับชีวิตอันนี้เรื่องอะไรจ้าชีวิตชดใช้ดิชีวิตคือประหารนี่สิประหาชีวิต ครนี้เนี่ยมันมีที่อ้ยักษ์อุ่นึองก็บอกว่า one t การ one the กาอุวัน one อุน s t a b l อ่นที่บอกว่าผู้หญิงใช้กับผู้หญิงผู้ชายต่อผู้ชายตรงเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่ผู้ชายไปฆ่าผู้หญิงหรือผู้หญิงฆ่าผู้ชายเนี่ยก็ถูกประหารเหมือนกันผูกกมเดียวกันไม่ใช่ว่าพอผู้ชายเนี่ยไปฆ่าผู้หญิงไม่ถูกประหารเพราะบางคนไปเทียบไงบอกว่าชีวิตของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยไม่เท่ากัน เอาทำไมไม่เท่ากันล่ะพรอผู้หญิงเนี่ยบทบาทหน้าที่น้อยกว่าผู้ชายผู้ชายนี่ต้องทำมาหากินเลี้ยงดูครอบครัวเวลาเสียชีวิตมันเสียหายมากกว่าผู้หญิงเสียชีวิตก็หาแม่ใหม่คิดอย่างนั้น <c oughs> คิดอย่างนั้นอันนี้ไม่ถูกพิษชีวิตก็คือหนึ่งชีวิตเหมือนกันผู้หญิงเขาตายหนึ่งคนก็เท่ากับผู้ชายตายหนึ่งคนนะดังนั้นผู้ชายที่ฆ่าผู้หญิงก็ต้องถูก ประหารชีวิตเช่นเดียวกันตอนแรกมีความเข้าใจนะว่าผู้ชายไปฆ่าผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องประหารมองว่าชีวิตของผู้หญิงเนี่ยไม่เท่ากับชีวิตผู้ชายนี่อิสลามแก้เลยนะคราวนี้การประหารเนี่ยก็ถูกกำหนดให้กับเยโฮดนะครับแล้วก็เป็นการกุฎ า, เ, า, เ, อาเอาด้วยสิแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอาชญากรรมซําซ้อน ฉันบอกไปแล้วว่าคนที่เคยฆ่าคนมาเนี่ยเขาเหมือนกับผ่านจุดเริ่มต้นมาแล้วมีโอกาสที่จะไปสังหารคนเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะกลับตัวไม่ได้นะก็คนนั้นมันตามันฆ่าคนมา99คนบวกอีกร้อยคนมันยังกลับตัวได้แต่ในในกฎหมายของสองคนที่มันมีคนที่มีการ เ, าเขาเรียกอะไรนะมีการฟ้องเนี่ยก็ต้องตัดสินไปตามที่ได้กระทําเอาไว้นะครับ แล้วต่อมาว่นไอน่ะบินไอน์แปลว่าอะไรต า, ต, างงไตาด้วยกระตางงไหมตาด้วยกระตาก็หมายฮะไม่ใช่สมมติเนี่ยเราเนี่ยไปทำตาไคบอดโดยการไปทำร้ายผ ม, ผมเนี่ยโ ม, โมโหกีมากเลยเอาไม้ลูกชิมจิ้มตากีปักตาบอดอ่าอิสลามเมื่อกีก็ไปฟ้องดิ ฟ้องเลยฟ้องกับสารสารก็เรียกมาอาจารย์แทงตากีจริงเปล่าจริงทําไมไปแทงก็หลักมันไสแทงตาเลยมองดีนะแทงศารตัดศินทําไงรู้ไหมกีซอสก็ให้เอาไอท้ที่ทิมตากีนั่นแหละทิมตาเราคืนตาก็บอดด้วยกันกีตาบอดฉันก็บอดอืมเห็นไ้ยใครจะกล้าทําอ่ะเออตาชดใช้ด้วยตาเลยแล้ว ต้องเหมือนกันด้วยข้างเดียวกันด้วยปรากฏว่าตาฉันเนี่ยข้างขวาเป็นข้างที่ใช้ไม่ได้บอดข้างซ้ายใช้ได้พอไปทำานะ่ะผมไปทำตาของกีนเนี่ยที่ข้างที่ใช้ได้บอดอา้าวทำตาฉันเลยเอาข้างบอดนะไม่ได้ต้องเอาข้างที่มองเห็นนะคือต้องข้างเดียวกันและใช้งานได้ด้วยถ้าใช้งานไม่ได้ทำอีกข้างหนึง่งเออเห็นไหมคือเท่ากันหมดนะ ต่อมาอัลฟาบินอันจมูกเอามีดไปตัดจมูกเขาขาดแหว่งก็ถูกตัดคืนแล้วก็อูรุนี่บินอูรุนหูไปทำหูเขาขาดอ่ามกรใช้ดาบอะบางทีฟันแล้วหลบไงหูขาดก็ฟ้องสารปั๊บสารก็เรียกมาก็ตัดหูคืนสิ้นฟัน ไปชกเขาฟันหักคือสมัยก่อนพี่น้องมันไม่มีเทคโนโลยีทําฟันนะเนี่ยอกว่าสมัยนี้มันทําฟันปลอมได้ใช่ไหมมันเจาะเข้าไปสมัยก่อนจะฟันร่วงก็คือร่วงเลยไม่มีเออคราวนี้ไอ้ฟันเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นง่ายมากที่มันจะหักไปต่อยเขาปั๊บฟันหักสองซี่ก็โดนแล้วก็แผลด้วยวันยูรู้ก็คือแผลไปตีเขาบินผ่านแผลยังไงโดนตีคืน ตาต่อตาฟันต่อฟันไปทำร้ายเขาอย่างไงโดนนี่บิลกีซอสก็ทำแบบนี้บางคนบอกโอ้ยโ ห, หดร้ายจังเลย ก, ก็อย่าไปทำเขาสิเออจะก็ไปทำเขาเราจะโดนไหมล่ะเออก็ไม่โดนก็เราไปทำเขาก่อนนะไปทำเขาตาบอดเราก็ตาบอดเหมือนด้วยเราไปตัดนิ้วเข า, เาก็โดนตัดนิ้วแต่กีซอสต้องเป็นอวัยวะที่ตัดได้นะเป็นข้อมือแต่เป็นกระดูกหักนี้มาทาไม่ได้ อย่างนี้ต้องใช้ค่าสินไหมหรือไปตีเขาสมองเบอร์เลยไ อ, อย้นี้ไปกีซอสไม่ได้ไปตีเขา ห, หัวเบอร์ไม่ได้แต่ถ้าเป็นแค่บาดแผลใช้ได้กีซอสได้เขาเขาต้องดูก่อนว่ามันอันอดไหนกีซอสได้ไหนกีซอไม่ได้ฟัมันตาซอสดะกอบีฮีฟะหัวกัฟฟารอตุลละแต่ถ้าเกิดและบรรดาบาดแผลเนี่ยมีการชดเชยเช่นเดียวกันใชมมีการจ่ายค่าสินไหมได้ถ้าสมมติฉันเนี่ยปรากฏว่า ไปทำกีตาบอร์ดกีบอกไม่เอาอาจาร์ตาจิตอาจาร์ไว้อ่านกุรรานฉันขอรับเป็นเงินพอได้ไหมได้ก็ให้เป็นเงินไปแต่ว่ากีต้องพอใจนะเพราะเจ้าของตาแต่ถ้าบอกไม่พอไม่เอาฉันไม่ขอรับเป็นเงินต้องโดนเหมือนกันก็โดนทิ่มตาบอร์ดแล้วเราบอกว่าฟามัลฟาฮกาฟารุตุลล่ะ และผู้ใดที่ให้การชดเชยนั้นเป็นทานมันก็เป็นการลบล้างบาปแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ายกหมดเลยไอ้ไอค่าสินใหม่ก็ไม่เอาด้วยดูแลอาจารย์เขาเงินเขาไม่ค่อยมีไม่ต้องเอาเลยเอเลอร์จะลบบาปให้กีหมดเลยที่โดนมาเนี่ยอภัยไงบาปที่มีในตัวกีเอเลอร์ก็จะลบบาปให้กีซอดไปทดแทนให้คือไม่มีอะไรเสียหายเลยนะ เอาเอาให้ตาบอดเหมือนกันก็ได้หรือจะรับเป็นค่าสินไหมก็ได้หรือไม่เอาอะไรเลยเอาแล้วได้อะไรได้ลดบาปอ่าเลือกเอาแล้วแต่อ่ามันมีหลายมันมีหลายประเภทบางคนก็บอกว่าไม่ได้ลูกฉันตาบอดมันต้องตาบอดมัง่งก็จริงๆแหละจริงคนเราเนี่ยมันมีแบบนี้อยู่แล้วอา้าวฟามัลลามยะกุมบีมาอันซลอ์นี่คือหุกกรมของอัลลอ์น่ะนะ ผู้ใดที่ไม่ตัดสินด้วยฮกลมของ Allah, อัลลอฮฺฟาอูเละกับมุซรอริมูนชนเหล่านี้แหละคือผู้อาธรรมค่ะนี้นิดนึงมีหะดิษบอกเอาไว้อ่าพี่น้องมาดูหะดิษบทนี้นะมีชายคนหนึ่งครับอันนารอจูรันต่ออันนรอจูรันเขาเนี่ยมีเรื่องไปทะเลาะกันแล้วก็ไปเอาเขาสัตว์ไปแทงหัวเขาไปแทงหัวเขาหัวเขาเป็นแผลชะา ก, กันาเลือดไหลเขาก็มาหานาบีเลยทําร้ายอับดุลเบีครับ ลงโทษไอ้คนที่มันแทงเขาใส่เขาเขาฉันหน่อยเป็นแผลน บ, บีบอกว่าอย่าพึ่งไปกีซอตรอให้แผลของเจ้าเนี่ยหายดีก่อนมันไม่ทันใจอะ่ะพอหายไปประมาณสักวันสองวันมาหาหน บ, บีแล้วน บ, บีจา๋ากีซอทเขาเลยตัดสินเลยฉันอยากจะจะได้มันจะได้เจ็บปวดเหมือนฉันน บ, บี คนการเราลืมเราหรือไม่ไหวก็เอาเลยเอาเขามาแทงคืนนะปรากฏว่าหลังจากนั้นผ่านไปอีกประมาณสองสามสัปดาห์มาหานาบีไอคนที่มาที่ที่มาเรียกร้องนบีก็บอกว่ายาโรสุลลลอขาฉันเนี่ยที่โดนแทงตอนเนี้ยมันพิการเลยอ่ะมันพิการเลยตอนนี้มันขาเสียแล้วแต่คนที่โดนกีซอดไปเนี่ยขาเขาก็ใช้ได้แต่แผลเขาหายนาบด ใช่พระมบิิจึงบอกว่าเจ้ารีบร้อนจริงๆแล้วเนี่ยจะไม่มีการขีซอจนกว่าแผลจะหายเพราะอะไรล่ะเพราะถ้าไปทำก่อนก็ไม่รู้ว่าอาการเนี่ยมันจะลุกลามขนาดไหนถ้าช้าแล้วก็รอไอคนคนนั้นก็อาจจะต้องถูกขั้นถึงขั้นพิการขาเหมือนเจ้านั่นแหละแต่พอตัดสินทาไปแล้วก็เอาคืนเลยไม่ได้แล้วเพราะทำไปแล้วจะมาทำสองครั้งก็ไม่ถูก ดังนั้นหลังจากเหตุการณ์นี้นบีจึงบอกว่าต่อไปนี้จะไม่มีการกีซอสจนกว่าคนที่ถูกอาธรรมถูกแผลเนี่ยจะหายก่อนเพราะเหตุที่ไม่ไม่ทำเลยเพราะอะไรเพราะยังไม่รู้ว่าอาการเนี่ยมันถึงขั้นไหนถ้าไปทิ่มตาตาบอดป่าบางทีมันไม่ได้บอดเลยนะมันอาจจะแค่มัวๆพอใช้ไปผ่านไปประมาณสักปีหนึ่งถ้าไม่ใช่ปีหนึ่งผ่านไปสักเดือน2เดือ น, อ, น, อ, นอาการดีขึ้นมองเห็นแล้วถ้าไปกีซอสอีนั้นตาบอดล่ะ มันก็เกินกว่าที่เป็นเลยงั้นรอให้หายก่อนพอหายเสร็จปั๊บอ๋อตาบอดเลยจ้ะสนิทแล้วรักษาได้แค่นี้แล้วนั่นแหละถึงค่อยกี่ซอนไม่ใช่โดนมนใหม่มๆเลือดยังแดงเลยเอากีซอนเลยก็ไม่รู้ว่ามันแค่ไหนนะอ่ะส่วนคนให้อภัยเอา่าจะลบล้างบาปให้อ่มีมีให้เราเลือกหลายแบบหนึ่งตาต่อต า, ตาฟันต่อ ฟ, ฟันเลยมันโดนแบบไหนรอแบบนั้นอันที่สองเอ่อรับเป็นเงินอันที่สามก็ให้อภัย นะซึ่งอันเนี้ยพี่น้องผูม้มีหมายทั้งหลายครับครั้งหนึง่งลูกชายของอัมดุมนุนอาสเป็นพ่อเมืองนะอันนี้เป็นพ่อเมืองเลยนะเป็นเจ้าเมืองของเมืองอียิปต์แล้วไปปกครองอียิปต์และลูกชายท่านน่ยท่านก็อยากจะแข่งแข่งแข่งม้าแต่คนในเมืองเขาเนี่ยมันมีคนถิ่นที่เก่งแต่ดันไม่รู้ธรรมเนียมไงแข่งเก่งชนะลูกเจ้าเมือง เพราะพอแข่งแข่งขากอะไรนะแข่งชนะลูกเจ้าเมืองลูกเจ้าเมืองเป็นไงเสียหน้าไม่ยอมด้วยก็เสียหน้าเอ้ยนี่มาได้ไงถันลูกเจ้าเมืองก็เลยไม้เนี่ยฟาดไปเป็นแผลเลยนะเป็นแผลแตกไอ้คนคนนี้เป็นชาวบ้านด้วยนะมันจะเป็นมุสลิมด้วยเขียนจดหมายไปให้ใหอุมัหนุ่นตอนนั้นปกครองในยุคอุมัดด้วยเขียนจดหมายไปเลยว่าโดนลูกเจ้าเมืองตีเป็นแผลกี่นิ้วกี่นิ้วมีพยานเห็นหมดทุกอย่างปุ๊บ โอมาสเรียกมาด่วนไปเลยไปเรียกพ่อมาแล้วพาลูกมาด้วยตัวดีลูกตัวดีไปหาเรื่องพาพ่อมาก็ถามว่าเป็นอย่างนั้นจริงไหมก็บอกว่าเป็นจริงเป็นจริ ง, ทงเท่านั้นแหละท่านโอมาสบอกงั้นกี่ซ้อนเลยให้ตีลูกของเจ้าเมืองเนี่ยนะให้เหมือนกับชายคนนั้นแล้วจะให้ตีพ่อด้วยคฐ า, า, า, านะไม่อบรมลูกนะปรากฏว่าพ่อผู้ชายคนนั้นเนี่ยเห็นดังนั้นก็บอกว่านี่คือศาสนาที่ยุติธรรมที่สุดไม่เลือก ปฏิบัติแม้ว่าจะเป็นคนของของอะไรนะของของท่านอุมาศก็ตามแต่เมื่อทําผิดท่านอุมาศก็ลงโทษท่านอุมาศเนี่ยลงโทษทหารนะ่ยหลายครั้งนะไปขมขืนมีโผกคว้างเลยคือทหารมันก็มีแหละกัดมันไปคมคืนชาวบ้านพอท่านอุมาศจับได้ไม่มีนะอ๋อพวกทหารไม่เป็นไรทำได้เอามาลงโทษเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นสิ่งที่ทําให้ชาวเมืองฮิบเนะี่ยรับอิสลามจากความยุติธรรมของอิสลามไม่มีการเลือกเลือกปฏิบัติ แม้กระทั่งคนที่เป็นชาวบ้านเนี่ยคนที่เป็นมีอำนาจไปรังแกชาวบ้านก็สามารถฟ้องให้คนมีอำนาจถูกกีดสอดได้นะครับอ่ะประมาณนี้น ะ, อ, ะอ่านต่อ و ََََ ك ف ي ْ ن ว่าก็ไฟน่าเล่าซาหิมบีอิศบ์นَ ر ْ ي َ م ์ มَษดิคอลลิมาเบียนายาไดฮิมินัตทาวรอห์ว่าไทนาฮุลอิลจีลาฟิฮูดาวรอานุร วามุสดีคอลลีมาไบนายาไดฮิมีนัททาวโร่วามุสดَคอ د َีมาِบนายาไดฮิมีนัททาวโร่วะฮุดาวะมูอิًะตัลْิُมุต ق ِกีน วะเลียห์คุมอะ ل ุลอิจลิบิม ل อัลล ف ฮฺ ว่ามَนไม่ย่ำคุม بما أنزل الله فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ มาดูความหมายนะครับวักฟ็ฟนาวกฟ็ฟายนาแปลว่าเราเนี่ยและเราเนี่ยได้ให้อีซานะนบีอีซาบุตรของมารยยมนะผู้ชายผู้ชายผู้ชายคนเดียวบนโลกนี้ที่มีนสับไปถึงผู้หญิงก็คืออีซาบุตรของพนางมารยยม โดยปกติไม่ได้นะผู้ชายเนี่ยต้องหรือจะเป็นผู้หญิงก็ตามนะเวลาเขาเรียกก็ต้องอ้างอิงไปที่ใครพ่อจะไม่อ้างไปที่แม่อับดุลอตีบินมุฮัมมัดนะไม่ใช่อับดุลอตีบินมาริยมมาแม่ฉันชื่อมาริยมมารียมเหมือนกันไม่ได้เพราะว่าศาสนาเนี่ยให้ให้สายเ้าเรียกเชื้อสายทางพ่อเป็นหลัก แต่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นลูกมันก็เป็นลูกแม่ด้วยนะแต่เวลาสืบสืบเสื้อสายทางผู้ชายเหมือนกับวารีอ่ะวลีก็ไม่เอาญาติทางฝั่งฝัง่งผู้หญิงฝั่งแม่เออต้องเอาฝั่งผู้ชายเท่านั้นนะวารีเนี่ยไม่เอาฝั่งผู้หญิงเลยยังไม่ใช่ไม่เอาฝั่งแม่เลยฝั่งฝั่งพ่อทางเดียวแต่เหตุที่นบีซาต้องสืบไปทางพนางมารยามเพราะอัลลอฮฺให้ ท่านนาบีอีสาไม่มีพ่อไงเ ป, เ, เป็นคนเดียวที่ไม่มีพ่อแล้วก็ตั้งคันโดยที่อัลลอฮ์นั้นได้ทำํำนะเขาเรียกอะไรอัลลอฮ์ได้สั่งใช้บัญชาก็ตั้งคันให้เป็นก็เป็นเลยตั้งคันจ้ะใช่ครับเวลาที่เขาอ้างละแต่งผู้หญิงที่เป็นมวนลับเนี่ยก็จะใช้ชื่อเหมือนกันหมดก็คือบินดับดุลลอห์นะฉันก็งง ทำไมอับดุลรอเนี่ยเยอะจังเลยพอไปถามอ๋อคือมารับอิสลามนะก็ะเลยเรียกนัสาบไปทางบินอับดุลลอเป็นบ่าวของรอไงอถูกต้องครับอ้าวต่อมาไอ้คำนัยวิาณ ม, มูซอดดิกลิ ม, มาใบาในยาไดฮิมินาเตอร์รอตและเราได้ให้อีซาบุตรของมัลลัยามตามหลังพวกเขามาในฐานะที่เป็นมูซอดดิกนยืนยันสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า ขาวก็คือเตารอนงงไหมอันไหนอยู่หน้าอันไหนอยู่หลังอ่าคราวนี้ถามก่อนว่าเตาร้อนกับอินยินอันไหนลงมาก่อนเตาร้อนลงมาก่อนถูกไหมแต่แต่ที่อัลลอฮ์กำลังพูดถึงตอนเนี้พูดถึงพวกเยฮูดซึ่งเยฮูดเนียมีคำภี์อะไรเตาร้อนอัลลอฮ์ก็บอกว่าอัลลอฮ์ให้นบีอีซาเนลงมาเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันของคัมภีร์เตาร้อน เตารรสก็ได้บอกถึงว่าจะมีรอซูลท่านต่อไปเกิดขึ้นและก็บอกลักษณะหนึ่งสอสามสี่ก็คือนบีอีสซาและอินจีนก็บอกเช่นเดียวกันว่าจะมีนบีท่านต่อไปมาเกิดก็คือท่านนาบีมุฮัมมัดทุกอย่างต่างล้วนยืนยันซึ่งกันและกันเออนะเอาบอกต่อและเราก็ได้คัมภีร์อินจีนแก่เขา ให้แกใครให้แกนบีอีซาซึ่งเป็นทางนําและแสงสว่างอีกแล้นะฮูเดาวันนูดฮูดาและก็นูดแปลว่าทางนําแล้วก็แสงสว่างมูซอดดิคอนและก็เป็นที่ยืนยันสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของมันก็คือเตารอ้อนนะเป็นการยืนยนันเตารอนอีกเพราะว่าเตารอนบอกเอาไว้เลย ว, ว่าจะมีทั้ง นบีซาเกิดขึ้นแล้วก็มีคำภีต่อไปและแน่นอนเตาร้อสเนี่ยก็เป็นทางนำและก็เป็นข้อตักเตือนให้แก่ผู้ที่ยำเก่งทั้งหลายตรงนี้ก็คือการที่อัลลอฮ์นั้นได้ชมพูดถึงสองคำภี <c oughs> <c oughs> ของยาฮูและก็นาสอรอต่อมา4ี่สิเจ็อลลอ์บอกว่าและชาวคำภีอินจีนอ่ะอ่ะรุ่นอินจีน ก็จะก็จงตัดสินด้วยสิ่งที่อัลลอ์ได้ประทานลงมาในนั้นอ่าก็ใช้คำภีของอัลลอ์ในตัดสินว่ามัลแรมยะกุมบีมาอันซาลลอใครที่ไม่ได้ใช้ตัดใช้คำภีของอัลลอ์ตัดสินนะแล้วแล้วก็ฟาอุล์แลอิกาห์หุบุนฟาซิกูชนเหล่านั้นคือคนที่ทำชั่วคราวนี้ฟาซิกไปเว่าคนชั่วอ่า ไล่คมภีร์ก่อนไล่ลำดับคมภีร์คัมภีร์เตารอนมาก่อนเลยเตารอนนะหลังจากนั้นอินจีนเวลาอินจีนลงมาเนี่ยและเตารอนทํำยังไงเออเวลาอินจีนลงมาเตาร้อนยังต้องยังต้องใช้อยู่ไหมหรือว่ามาใช้อินจีนออออเออคือพี่น้องต้องจํานิดนึงนะว่าอัลลอฮ์สุบฮานาะวุตาลาเนี่ยจะส่งรอซูนมาในสมัยก่อนเนี่ย เขาเรียกว่าโกมไครโกมมันโกมไครโกมมันแปลว่ากลุ่มชนไหนก็กลุ่มชนนั้นบางนาบีนบีบางท่านเน่ยอยู่ยุคเดียวกันเลยนะเจอกันด้วยแต่อยู่กันคนละคนละโกมคนละกลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีคัมภีร์ใช้ไปคุณก็ใช้คัมภีร์นี้ไปนี่ใช้ไปแต่อินจีนเนี่ยเมื่อมาที่หลังเนี่ยก็มายกเลิกบางอย่างที่อยู่ในเตาร้อนด้วยอ่าก็มายกเลิกด้วยนะ สมมุติเราเนี่ยเป็นคนศึกษาคัมภีร์อ๋อเตาร้อนเขียนเอาไว้แล้วอันนี้ก็มายกเลิกแต่มันจะสมบูรณ์แบบที่สุดเลยก็คือกุฎานครับเพราะกุอานนี่คือพรีเล่มสุดท้ายเดี๋ยวเราจะพูดถึงว่ากุฎานเนี้ยก็คือมามาเลยนะมาเป็นธรรมนูญชีวิตแล้วก็ไม่ต้องกลับไปหาอินจิตและเตาร้อนแล้วเพราะอันนี้คืออะไรฉบับสมบูรณ์ที่สุดแล้วอ่าบางคนบอกยิ่งฉันต้องกลับไปเรียนเตาร้อนไหมต้องกลับไปเรียนอินจิตไหมไม่ต้องเอากุฎานให้รอดก่อน บางคนนี่แหมอยากจะรู้จังเลยยะฮุตอ่านคัมภีร์ไงอยากรู้จังเลยไบเบิลเป็นยังไงบ้างซื้อมาอา่านกูจะอ่านยังอ่านไม่ครบเลยจะอ่านไบเบิล <c oughs> <c oughs> เออไป <c oughs> อไป่าหลอไบเบิลนี่นะฮัยาไปตามโรงแรมนะลิ้นชักเขาเขาไว้หน้าโรงแรมหมดแต่มันเป็นภาษาอังกฤษเราอ่านไม่ออกภาษาอังกฤษนะภาษาแท้ของมันไม่เหลือแล้ว ภาษาแท้ของคัมภีร์ทั้งสองเนี่ยอ๋อยังเหลืออยู่กับคมภีรนี่แหละคำภีร์ของยาหุตเนี่ยฮิบรูภาษานี้เป็นภาษาโบราณที่ยังพวกนี้ยังพูดกันอยู่แค่ได้ฮิบรูแต่อินจีนเนี่ยภาษานั้นน่ยไม่มีแล้วนะภนะาษาอินจีนเน่ยเขาไม่รู้ภาษาอะไรละทุววกวันนี้เปลี่ยนไปหมดละแต่กุฎอ่านก็คือภาษาอับดับซาบูตกะดะบีดาวุต อ๋อคืออย่างนี้ทำไมถึงคมภีรซาบูตถึงไม่ได้ถูกกล่าวไว้บ่อยเพราะทุกวันนี้เนี่ยกลุ่มชนของนบีดาวูดเนี่ยอ่าก็ก็มันก็สืบทอดมาบดีสรออีน น, นะนะก็มาสุดที่เตารอนอ่ามาสุดที่เตารอนนะแล้วก็มันไม่มีคนสืบทอดไม่เหมือนกับคมภีร์ของเตาร้อน อ, อินจีนเนี่ยยังมีอยู่นะ อ่าไม่มีคราวนี้พี่น้องอธิธรมโดยิน ล, ละอายะกุรานหนึ่งที่เป็นข้อชี้ขาดก็คืออัลลอฮ์บอกว่า ن ن ن ن อินนาเนห์นูเนซันนาเนซิกรอว่อินนาละฮูละฮาฟิฎุนสุราะอัลฮิจรอายะที่เ้าอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงเราได้ประทานข้อตักเตือนอันซิกรอตอนนี้เป็นชื่อก็คือกุรานอัลลอฮ์ได้ประทานกุรานมาและเราก็คืออัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้รักษากุรานนี้ไว้ นะครั้งหนึ่งฉันเคยเล่าไปยังอิหมัมสยุตอิหมัมกูรตูบีเขียนเอาไว้ตับสิดกูรตูบีเขียนเล่าเหตุการณ์หนึ่งเอาไว้มีผู้ชายคนหนึ่งแกมีความสามารถมากๆในการเขียนคนที่มีความสามารถในการเขียนเนี่ยเ้าก็จะเขียนภาษาอะไรก็จะเขียนสวยเขาได้คอดสวยนะ ม, มือเขาสวยเขียนภาษาผมนคยไดมีเพื่อนคนหนึ่งนะมันเขียนภาษาไทยเนี่อย่ยากระพิมเลยนะ พอไปเขียนภาษาหรับโอ้โหสวยแล่คนที่ลายมือหยกัยกๆนะเขียนภาษาอะไรก็หยักหมดภาษาไทยก็เขียนจริงพอเป็นภาษาอังกฤษกูอ่า น, น, น, นไม่ออกเว้ยคือคนเนี่ยมันมันมมีความถนัดไม่เหมือนกันแต่ถ้าใครที่มีความถนัดในเรื่องเขียนเนี่ยเขาจะเขียนภาษาอะไรเขาก็เขียนสวยหมดเลยนะภาษาใครเขียนสวยภาษารับก็เขียนสวยเออภาษาอังกฤษก็เขียนสวยคราวนี้แกเนี่ย เขาอยากจะรู้ว่าเขาไม่เชื่ออะไรสักศาสนาเลยแกไม่เชื่ออะไรศาสนาหนึ่งแกก็เลยไปเอาคำพีมาสามเล่มก็ไปหาจากจากาบานหลวงจากนักพจนักมวลอะไรมาก็เอามาสามเล่มมีมีเตาร้อมีอินจีนและก็มีกุฎานเอามาเอามาเสร็จปุ๊บก็ทุ่มวิชาความรู้ของเขาเนี่ยเขียนสวยให้สวยที่สุด คือไม่พูดง่ายๆว่าไม่มีคำพีไหนจะสวยเท่ากับที่เขาเขียนละใช้การเขียนคัดทุกอย่างแต่จะมีการแทรกคำเข้าไปเบิ่นคำมั่งตัดออกมั่งอะไรมั่งแทรกไว้ในนั้นแต่ไม่เยอะหรอกบางส่วนแล้วก็ทำไม่สวยเลยนะก็พอได้คำพีเสร็จสามเล่มนะครับก็เอาไปให้ของยหฮธ โอ้โหพอเขาเห็นปั๊บโอ้โหนี่มันวิจิตตะอะไรนะตะการตาหมากฉันไม่เคยเห็นใครเขียนคมภีรที่สวยขนาดนี้เอาตังไปฝัดได้ตังมาแล้วสบายเสร็จแล้วพอไปถึงโบสถ์นะนสอรอเอาไปให้นซอรอบอกโอ้โหนี่เป็นคำภีร์ที่สวยมากคือหมายถึงลายมือสวยมากฉันจะเก็บเอาไว้เลยเอาตังไปคราวนี้เข้ามาหาสุเหล์แล้วมาหายตุยมั่ม เอาคุรานมาให้โอ้โหสวยเหมือนกันแต่แป๊บหนึ่งอย่าพึ่งไปขอเปิดดูก่อนเขาฮาฟิดนี่เขาว่าอ่านอ่านอ่านอ่านวงนี่ผิดนี่ผิดนี่เขียนเติมมานี่ผิดอ่าอยู่นี้ก่อนนะเดี๋ยวไปเรียกเรียกอะไรนะไปเรียกคนเจ้าหน้าที่มาจับกลุ่มเลยตั้งข้อหาปลอมแปลงคุรานจากที่จะได้ต่างกายเป็นจะโดนตัดคอแล้วเออจะโดนตัดคอแล้ว โอโหเขาบอกว่าเขาตกใจมากไปมาสองที่นี่ได้ตังมาหามุสลิมจะโดนตัดคอเอาเพราะข้อหาใหญ่คือการบิดเบือนคุรานเปี่ยปลอมแปลงกุรานเพราะคำพินี้ษฐ์หลุดออกไปปับ๊บทำให้ดํารัตของอัลลอฮ์นี่ถูกเปลี่ยนเลยไังนั้นอิสลามไม่ได้ดูที่ความสวยอย่างเดียวต้องดูที่อะไรด้วยความถูกต้องเป็นหลักสวยนี่มันไม่มีผลอะไรถ้าผิดเหมือนก็แต่งตัวเลยนะอ่าแต่งตัวเนี่ยโอ้ยเอาสวยเลยแต่ผิดหลักการก็ไม่ได้ แมเดี๋ยวนี้คุมหัวเก่งๆนะเปิดคอม้างเปิดหูม้างอะไรแล้วแต่ฉันเห็นไม่หมดเลยหลายหลายวิทย์คุมหัวยังใส่ตังหูอ่ะงงไหมล่ะอุตสาคุมหัวในมีตังหูโผลมาได้ถึงงงมากเลยนิ่มเจ้าอะไรวะขอมาอัพนะเออมันคุมหัวแต่มีตังหูโผลมา ถ, ถึงงงมากเออไม่าาไม <laughs> อาจจเกินไปฮัทยาหรละคือเดี๋ยวนี้ มันเริ่มเลอะเทอะไปใหญ่แล้วฉันก็ไม่พูดยังไงนะแล้วก็คนมีตังค์ด้วยเรื่องของเรื่องเนี่ยมันจะคนม่มีตังค์นะไฮโซไฮโซเนี่ยคุมหัวแตใส่ตังหูลัดคออะไรก็ไม่รู้ไอ้จันเนี่ยมีสมัยรุ่นโตฉันแล้วจันเนี่ยไม่ได้รอกสมัยก่อนทองมันเยอะต้องโชว์หน่อยแต่เดี๋ยวนี้มันมันเลอะไงมันเริ่มมีตรงอะไรเริ่มคันนี้สุดท้ายเนี่ยจะโดนประหารชีวิตจะโดนประหารแล้วนะ พอจะโดนประหารเนี่ยเขาก็เลยยกมือแล้วก็กล่าวชหาหดเสียงดังเลยขอปฏิญาณตนรับอิสลามเลยกพ็พอรับอิสลามปุ๊บก็ไม่ประหารละก็เลยถามว่าทําไมทําไมถึงทําแบบนี้ตอนแรกไม่รู้ไงนึกว่าเป็นมุสลิมแล้วมาแกล้งเขาบอกว่าเหตุที่ทําแบบนี้เพื่อจะพิสูจน์ว่าศาสนาใดคือศาสนาที่แท้จริงเพราะศาสนาที่แท้จริงจะไม่ติดอยู่ที่รูปลักษณ์แต่จะดูที่ความถูกต้องเป็นหลัก เออเห็นไหมไม่ติดที่รูปรักษณ์โอ้ยเอาสวยเป็นที่ตั้งผิดถูกไปสนนะ่ยไม่ใช่แศาสนาอิสลามเราเนี่ยสวยไม่มีสวยไม่มีค่าเลยถ้าผิดสวยไม่มีค่าเลยนะถ้าผิดเหมือนกันเวลาแต่งงานระเบีให้ดูสี่อย่างดูสวยดูตระกูลดูเงินนะซั์ลืมซับผมไม่ค่อยนึกถึงรัพบเท่าไหร่าศาสนาศา ส, สนาสี่อย่างถ้าไม่มีศาสนาไอ้สามอย่างนี่ไม่มีค่าอะไร แล้วเขาบอกว่าถ้ามีศาสนานี่หมายถึงเลขหนึ่งอ่าเลขหนึ่งตั้งไว้เลยแล้วถ้ามีรัพ์ด้วยใส่ข้างหลังไปเป็นเลขศูนย์อ่าหรือใส่เลขอะไรก็ได้นะแล้วก็ถ้ามีมีอะไรก็ใส่ไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าไม่มีถ้าไม่มีศา ส, สนามันก็คือศูนย์อยู่ข้างหน้าแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้ามีศาสนานเนี่ยมันคือการต่อยอดที่เหลือที่มันมีคุณค่ามากขึ้นนะเห็นไหมดั้นั้ คนคนนี้เขาก็ได้รับเขาก็รับอิสลามแล้วเขาก็บิสูตรค้นหาสัจธรรมนะครับนั้นบอกกับพี่น้องนะว่าทุกวันนี้เนี่ยแฟชั่นมันล้ำลึกล้าลึกแล้วก็คนที่เป็นโตคูคูบาอาจารย์เนี่ยนะก็พยายามสอนพยายามเตือนพยายามบอกแต่บางครั้งมันเอาไม่อยู่จริงๆมันเอาไม่อยู่พี่น้องเพราะเอาไม่อยู่เพราะอะไรเพราะความดื้อของคนนี่แหละนะครับนั้นก็เตือนกันบอกกันนะ ต้องเอาศาสนาเป็นหลักแต่ถ้าคนมีศาสนานะเขาก็ไม่ทำหรอกครับเขาก็จะรู้สึกว่าเอออันนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดมันเป็นสิ่งที่บาปอีกนิดหนึ่งั้ยต่ออีกนิดหนึ่งนะวเวสลน่าอิลัยกะล์กิตะบะบิลฮะ มูซ sí <ide> ัด <SUS> ด <CR kidneys> <ello> ิคอลมาบนายดายฮิมิบวมูไมนันอัลเลย์ กุมไบนาหุบบีแมอัลลอฮฺฟะกุมไบนาหุบบีมา ل l l ه h و لا تتبع أهوهم عماج มีใน الحق oh. อ่ะนะหายใจลึกๆนิด น, นึงอีกรอบนึง อัลฮุมมัม a ัจจาข้าม a นะลฮะโคลุจนาม คุมชิร์อัตวะมินฮาจ์ลูกุลจ์อัานุมชรตวะมินฮาวะชอัล และ้าเล็ว ولوشاء الله แล้ว ولوشاء الله แล้า กุมอุมมตัวผิดอ่ะาแล้จะอวุธจะกัคุ้มอุ้มตัวิดะว่าแล้วกีบบลูกุมฟีมา فاستabic الخيرات إلى الله مرجعكم جميع ไฟยุนับบิอุคุมบีมาคุนตุมฟฮตัคตัลีฟุบบ อ, ฟนอะนะครับอายาสุดท้ายนะแต่วันนี้ที่เราจะเรียนกัน อลัลลอฮ์อกว่าและเราได้ประทานคำภีร์ลงมาให้แก่เจ้าด้วยความจริงอันนี้พูดถึงกุรอานแล้วหลังจากที่พูดถึงเตารอนอินจีนและอัลลอฮ์ก็พูดถึงอัลกุรานและคุณลักษณะของอัลกุรานและก็ให้ตัดสินด้วยกุรานอายะ น, นี้เป็นการบอกว่าต่อไปนี้ท่านนาบีเนี่ยจะใช้เตารอนใช้อินจีนมาตัดสินไม่ได้ยกเลิกแล้ว ให้ใช้กุรอาณตัดสินพวกเขานะเพราะเรามีมีกุรอาณาแล้วอันนี้พี่น้องครับรวมถึงกฎหมายของบ้านเมืองเราด้วยนะบางคนบอกอาจารย์แล้วก็ทำยังไงดีละ่ะกฎหมายบอกว่ากองอะไรนะกฎหมายมรดกเนี่ยเขาเขาทำพินัยกรรมแล้วมันมีผลจะยกให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยถ้าไปฟ้องเนี่ย ทางกฎหมายเขามีผลนึกออกไหมสมมติฉันมีลูกสามคนฉันไม่ชอบลูกสองคนและฉันก็มีลูกคนหนึ่งเป็นหัวแก้วหัวแหวนฉันยกทรัพย์ให้หมดเลยให้ลูกคนแรกคนโตบริหารหมดเลยทาําตามกฎหมายเนี่ยมีผลนะเขาเรียกพินัยกรรมกฎหมายพินยกรรมแต่ทำตามหลักศาสนาเนี่ยผิดพิพนัยกรรมแบบนี้ผิดคราวนี้พออิม่ัมเนี่ยเขาไปบอกว่าผิดไอพินัยกรรมแบบนี้ช้ำไม่ได้แต่ลูกเนี่ยมันเรียนกฎหมายเยอะมันก็เลยไปฟ้องศาล สารก็ตัดสินให้ทาให้ดำเนินตามพินัยกรรมที่ผิดละ่ละใครที่ปฏิบัติตามแบบนั้นและก็เอาขุกกลมของมนุษย์มาใหญ่กว่าขุกกลมของอ AH, mm ัลลอฮ์ก็เท่ากับหมดสภาพความเป็นมุสลิมแล้วเดืองใหญ่นะ mm hmm. ได้ซับไปแต่ศอีสลามไม่ยอมรับกฎหมายของอัลลอฮ์อันนี้รวมถึงผู้หญิงด้วยที่มีทะเบียน มันไปจดทะเบียนดานกฎหมายประกวดไอ้บางไปนิก า, ายใหม่คนที่สองใช้กฎหมายชูฟ้องเลยฟ้องได้ตามกฎหมายฟ้องได้แต่แลกกับความการเสียสอิสลามในตัวคุ้มไหมละ่ะได้ตังค์มาได้ความสะใจแต่อิสลามไปแล้วในตัวเพราะเอากฎหมายของมนุษย์มาเหนือกฎหมายของอัลลอฮ์นะเรื่องนี้เรื่องใหญ่น ะ, ะเราไม่ได้เขาไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองนะเคารพ แต่ถ้ากฎหมายของบ้านเมืองนะแล้วกักฎหมายของอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นเรื่องแบบขอขายบัตรตายนะอันนี้ให้ปฏิบัติเอากฎหมายของอัลลอฮ์มาก่อนแต่ประเด็นเนี่ยเราเราไม่สนไงเราจะเอาความสะใจอย่างเดียวก็ไปยุ่งนะแล้วก็แล้วก็อิสลามแล้วก็วกฎหมายบ้านเมืองเขาก็มีบังคับนะจะแบ่งตามฮุกุมอิสลามเนี่ยเขาให้ตั้งผู้จารมรดกแล้วก็จัดการได้เลยแต่แบ่งตามอิสลามเขาไม่ได้ห้ามยกเว้นทั้งสาจังหวัดชนภาคใต้ที่ก็มีกฎหมายพิเศษอยู่ เอออ้าวต่อมาหนิดยนึงอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ได้ประทานกุรอานลงมาซึ่งเป็นความจริงในฐานะที่เป็นสิ่งที่ยืนยันอยู่เบื้องหน้าและเป็นที่ควบคุมคัมภีร์เบื้องหน้านั้นดังนั้นจงตัดสินระหว่างพวกเขาด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาและจงอยากปฏิบัติตามความใคร่ไฟต่ําของพวกเขาและเฉฉไยออกจากสิ่งที่เป็นความจริงที่มายังเจ้าอัลลอฮ์บอกว่า สำหรับแต่ละประชาชาติในหมู่ของพวกเจ้านั้นเราได้ให้มีบัญญัติและแนวทางเอาไว้แต่ละประชาชาติเนี่ยมีแนวทางมีหลั ก, ล ก, ลกบทบัญญัติเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะหมายถึงเรื่องปลีกย่อยนะชารีอะฮ์แต่ถ้าหลักเหมือนกันหมายถึงว่าเคารพต่อละองค์เดียวนี่เหมือนกันใช้ทําความดีห้ามปามในสิ่งที่เป็นความชั่วเหมือนกันแต่เรื่องละหมาดเนี่ยไม่เหมือนกัน คือสิอดไม่เหมือนกันสมัยนบีอิบรอฮิมอีกแบบหนึ่งสมัยนบีฮัดสมัยนบีรอฮิมทำอีกแบบหนึ่งมูฮัมมัดก็ทําอีกอย่างหนึ่งอ่าชารีอะห์บทบัญญัติที่เป็นรายละเอียดไม่เหมือนกันใกล้ใกล้กันใกล้เคียงกันเวลาละหมาดอย่างเงี้ยอ่าไม่ไม่ไม่ไม่เหมือนกันแต่เหตุที่อัลลอฮ์ให้ต่างกันเนี่ยเพราะความเหมาะสมแต่ละยุคสมัยด้วยอืมคนสมัยก่อนคนสมัยนี้ ตัวใช่ไหมเอาแค่ตัวเนี่ยมีน้องรู้ไหมนบีอาดัมเนี่ยสูงเท่าไหร่หกสิบซอกไปดูดิหกสิบซอกเติร์กิชั น, นไม่รู้กินข้าวเป็นเป็นกะละมัง <c oughs> เออคนไม่เหมือนสมัยก่อนไม่เหมือนกันนะอา้าวต่อมาใจเย็นจ้ะอ๋อ เดี๋ยวทํากับอาจารย์ก็ได้จะยินนะอ <c oughs> จะจบแล้วอ่านี่อันนี้ประโยชน์ี้สำคัญอ้าเราบอกว่าวายลลอชาอัลลอฮฺฮุแลฮจะาแลุมอุมมะตาวะฮิดะหากว่าอัลลอฮ์นี่จะทําให้ประชาชาติเนี้ยเป็นประชาชาติเดียวกันหมดเลยไม่ต้องมีเป็นเป็นประชาชาติต่างๆเอาอันเดียวกันหมดเลยมีนบีคนเดียวกันใช้บัญญัติเดียวกันไม่มีศาสนาเห็นเป็นอื่นละพระองค์ทําได้ไหมทําทได้แต่ไม่ยังไม่ได้ ก็มีมาแล้วเนี่ยมาลิก้าไงไม่มีเลยดื้อกอลล็อตเลยเอาล็อสร้างมาแบบไม่ดื้อเลยนะแอบเชื่อฟังหมดใช่ไหมสร้างมาแล้วมาลิก้าไม่ดื้อเลยนะและไอ้ประเภทดื้อไม่มีไม่มีดีเลยก็ชัยตอนไอ้นี่ดื้อไม่มีดีเลยนะมนุษย์ก็อยู่ระหว่างกลางเนี่ยบางวันก็เป็นมาลิก้าบางวันก็เป็นชัยตอนแล้วแต่ใช่ไหมอยู่ระหว่างกลางอาจจะเป็นชัยตอนแล้วเป็นมาลิก้าเยอะบางวันกัาในกิะแสมาลิกะาอลล็อดูดีจังเลยอ่ะ วันนี้นิ่งจังนิสัยมาราการ อ, อพอสพักตกกลางคืนไปไงใช่ตอเริ่มมานะอ้อาว เ, เหตุที่อัลละฮ์ทไมไม่ทาให้ประชาชาติเป็นประชาชาติเดียวกนันนี่มีคนมาถามดรชกินไนโนเนี่ยอัลล์ของท่านใหญ่ยยจังเลยยิ่งใหญ่โอ้โหสเสริญกันไมไม่ทาให้มุสลิมมีมุสลิมอย่างเดียวม่ต้องมีประชาชาติอื่นแล้วเนี่ยเราตอบไปในกรานเลยอัลลอ์บอกว่าไวแลกินละยบลรวะกุ้มไงเออเหตุที่อัลล ให้มีหลายประชาชาติแตกต่างยุคสมัยกันเนี่ยเพราะทว่าอัลลอฮ์ต้องการจะทดสอบไงทดสอบพวกเจ้าในสิ่งที่พระองค์ประทานลงมาว่าจะรู้สึกจะรู้สึกขอบคุณอัลลอฮ์หรือเนระคุณเข้าใจยังเหมือนกับทำไมอัลลอฮ์ให้มีทั้งโรคมีทั้งสุขภาพที่ดีแล้วก็มีโรคก็ทดสอบไงเออไอไม่ดีไอไมด่ไไมดีเนี่ยทรงมาทาไมทรงมาเพื่อทดสอบ ดีดีก็เป็นเรื่องดีถ้าไม่ดีส่งมาเพื่อทดสอบอา้าวต่อมาแต่ถ้าว่าอัลลอฮ์นั้นจะส่งทดสอบพวกเจ้าในสิ่งที่พระองค์ประทานลงมาดังนั้นฟัสตาบิกุลคอยรอดจงแข่งขันกันทำความดีฟาสตาบิกุลคอยรอดจงแข่งขันกันทำความดีนั่นคือการเชื่อฟังอัลลอฮ์ และปฏิบัติตามบัญญัติที่พระองค์นั้นได้ให้มาในคัมภีร์กุรานอิลละฮิมาร์จีโอคุ้มจะมีแอร์พวกพวกท่านทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยจะต้องกลับไปหาอัลลอ์ทั้งนั้นเละทำไมต้องแข่งขันกันทำความดีด้วยละ่ะก็เราต้องตายเรื่องของเรื่องเรื่องอ ง, อ ง, อ ง, ง่ายๆเลยลองไม่ตายดูดิเออทาไมตายนะเอาเลยตามสบายสุดท้ายก็ต้องตายกันทั้งนั้นนะก็ต้องกลับไปหา AH. อัลลอ์อิลลฮิม อิละลอฮิมารจิอกุมจะมี์พระผู้ท่านทั้งหลายสุดท้ายแล้วก็กลับไปหาล่ททั้งหมดนั้นต้องแข่งกันทำความดีฟายุนบอุกุมมีมาคุณตุ้มฟีฮ um um ิตัต์ตฟูนนะและพวพระองค์ก็จะแจ้งให้พวกเจ้าทราบถึงสิ่งที่พวกเจ้านั้นกำลังขัดแย้งกันอยู่สมมุตินะอันนี้หมายถึงว่ายาหุตนะซอรอเนี่ยเขาขัดกันแย้งกันอะไรกัน สุดท้ายแลย้ววันที่เขากลับไปหาลอร์ลอร์จะเป็นผู้ชี้แจงเองว่าไอ้ที่แกเชื่อเนี่ยมันถูกไหมมันไม่ถูกอหมสิ่งที่มุสลิมเราล่ะเชื่อล่ะอ้าวสิ่งที่ถูกต้องแตมีคนเนี่ยอาจจะมาสบประมาทเยอะคนนี้เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยดูดีมุสลิมเนี่ยโอ้ยเชื่อแบบนั้นเป็นตุเป็นตา ม, มก็วางมัน น, นะนะแล้วก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกท่านจะเชื่อแบบไหนก็ตามนั้นแหละแต่สุดท้ายเรากลับไปหาลอร์เดี๋ยวลอร์ตัดสินเอง แต่คำว่าเชื่อแบบไหนไม่ไมใช่นะหมายถึงเราต้องเชื่อตามที่อัลลอฮ์บอกนะแต่คนอื่นเขาจะเชื่อแบบไหนก็ตามของเขาอ่าและสุดท้ายก็มอบหมายต่ออัลลอฮ์นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมะิฮามนิกชุดอัลลอิลอิลลัสตัฟิกะวะตูบิาอัสสลามอนกุมรามตุลลบะบารกตู